การเข้าพรรษาสำหรับชาวพุทธเรานั้นก็หมายถึงการเข้าวัดเข้าวาการเข้าหาพระศาสนาเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นการทำนุบ ำ, บำรุงดูแลรักษาจิตใจของเราเปรียบเหมือนกับ <c oughs> เวลาที่เราต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อหาหมอ ให้หมอตรวจสุขภาพดูแลร่างกายรักษาร่างกายของเราแล้วถ้ามีความจําเป็นจะต้องรักษาด้วยยาก็ต้องรักษาด้วยยาถ้ามีความจําเป็นจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดก็ต้องมีการผ่าตัดนะจิตใจของเราก็เปลี่ยือปกับร่างกายจําต้องเข้าโรงพยาบาลของจิตก็คือวัดหรือเข้าสู่พระศาสนาเพื่อจะได้ รักษาซ่อมแซงจิตใจที่บอบช้าจากการทำมาหากินการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตัวเองจนลืมดูแลรักษาประโยชน์ของจิตใจทำให้ใจกลายเป็นทาตกลายเป็นคนใช้ที่ทำงานไม่รู้จักหยุดจักยอนก็เลยมีควก็เลยไม่มีความสุขทางด้านจิตใจ ถึงแม้ว่าจะมีพร้อมมูลด้วยปัจจัยสี่พร้อมมูลด้วยลาภยศสรรเสริญกรรมสุขแต่ใจกลับเป็นใจที่มีแต่ความร้อนมีแต่ความวุ่นวายใจเพราะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลรักษาใจนั่นเองดังนั้นถึงเวลาที่เข้าพรรษาจึงถือว่าเป็นเวลาที่สมควรที่จะเอาใจเข้าวัด เข้าโรงพยาบาลของใจเพื่อจะได้ดูแลรักษาใจตามสมควรแก่ความจำเป็นบางท่านก็อาจจะสมาทานลดละอบายามุขต่างๆเช่นการเสพสรารยาเมาการเล่นการพ น, นันการเที่ยวตอนกลางคืนละเว้นจากความเกลียดร้อนละเว้นจากการครบคนชั่วเป็นมิตร หรือะละเว้นจากการกระทําบาปเช่นละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤตผิดปรเวณีละเว้นจากการพูดผล ม, มเท็จบางท่านก็อาจจะขอบวชเลยเข้าวัดตลอดเวลาสามเดือนบวชเป็นพระบวชเป็นเนรบวชเป็นชี เหล่านี้ล้วนเป็นวิธีการที่จะดูแรลรักษาจิตใจให้เป็นจิตใจที่ดีที่งามเป็นการสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์คือสร้างให้ให้เป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์คนเรานั้นท่านว่าไว้ว่าถ้ายัางไม่ยังไม่ได้บวชยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้ปฏิบัติยังเถือว่าเป็นคนสุขดิบอยู่คือจะว่าสุขก็ไม่สุบ ต่ว่าเด็กก็ไม่เด็กจะเป็นคนก็ไม่เป็นคนจะเป็นผีก็ไม่ใช่เป็นผีลักษณะเป็นแบบครึ่งผีครึ่งคนเพราะว่าจิตใจยังอยู่ภายใต้อารมณ์ของความดีและความชั่ววันไหนถ้าอารมณ์ดีวันนั้นก็จะเป็นคนเป็นพระเป็นเทวดาแต่ถ้าวันไหนอารมณ์ไม่ดีครอบงำก็จะกลายเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเปรตเป็นผีไปนี่คือลักษณะของคน ที่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่ได้รับการอบรมอบรมนิสัยไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจา้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติชีวิตก็เลยเป็นชีวิตที่รุ่มรุ ม, รมดอนๆยังไม่เป็นคนที่สมบูรณ์ยังไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจยังไม่ยังไม่แน่นอนยังมีขึ้นมีลงอยู่ตาม ตามอารมณ์ที่จะมาปรากฏถ้าอารมณ์ดีวันนั้นก็จะเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นธงเป็นพระถ้าวันไหนอารมณ์ร้ายอารมณ์ไม่ดีมาครอบงาจิตใจวันนั้นก็จะกลายเป็นเดรัจฉานเป็นยักษ์เป็นมารเป็นต้นนี่ก็คือสภาพจิตใจแต่ถ้าเมื่อได้เข้ามาบวชได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติธรรม ได้ลดละกระทําสิ่งที่ไม่ดีและสร้างจัดสิ่งที่ดีชําระจิตใจชําระความโลภความโกรธความหลงความอยากทั้งหลายที่เป็นเหตุของการกระทําบาปการกระทําความเชื่อทั้งหลายให้เบาบางลงไปจิตใจก็จะกลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาตามลําดับจนกระทั่งกลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี้ ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นนักบวชหรือเป็นคารวะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความรู้ว่ารู้หรือไม่ว่าอะไรคือสมบัติของการเป็นมนุษย์อะไรคือสมบัติของการเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเดรัจฉานถ้าเมื่อรู้แล้วแนละปฏิบัติตามได้ก็ถือว่าเป็นมนุษย์อย่างพระโสดาบันนี้ถ้าอริยะบุคคลเบื้องต้นท่านเป็นผู้ที่ เห็นแล้วในในเรื่องบาปบุญคุณโทษในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องของกรรมท่านไม่สงสัยในเรื่องกรรมเลยแม้แต่นิดเดียวท่านเห็นแล้วว่ากระทำดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่วเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจึงตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าได้อย่างบริบูรณ์คือเป็นมนุษย์ที่บริบูรณ์ตลอดเวลาไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม จะไม่ละเมิดศีลห้าโดยเด็ดขาด้ดวยอันนี้สองของการที่ท่านมีดวงตาเห็นธรรมเกิเห็นเห็นหลักกรรมเห็นว่าการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและการรักษาศีลห้าเป็นนิสัยเป็นธรรมชาติของจิตคือจะสมาทานหรือไม่สมาทานก็ตามจะมาวัดในวันพระหรือไม่หรือไม่มาววัดในวันพระก็ตาม จะเป็นคารวาสหรือเป็นบรรพชิตขึ้นนักบวชก็ตามจะดำรงอยู่ในศีลห้านี้อย่างแน่วแน่มัน่นคงไม่ละเมิดเลยถึงแม้ชีวิตก็สามารถสละได้เพื่อรักษาธรรมก็คือศีลห้าทั้งห้าข้อนี้ไว้ด้วยนิสงแห่งการปฏิบัตินี้จึงทำให้ท่านไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไป คือถึงแม้จะในอดีตเคยทาบาปทากรรมมามากมายกายกองนักไม่ถ้วนแต่เมื่อได้บรรลุมีดวงตาเห็นธรรมแล้วจะมีปัญญาที่สามารถยับยัง้งเบรกจิตไม่ให้ไปสู่ที่ต่าได้ไม่ให้ไปสู่การกระทาบาปไม่ให้ไปสู่การไปเกิดในที่ต่าได้ด้วยอำนาจของปัญญาด้วยอานาจของธรรมะที่ได เหนน็นนั่นเองและภพชาติของท่านก็จะมีเหลือไม่เกินอีกเจ็ดชาติเป็นอย่างมากคือถ้าชาตินี้ยังไม่ได้บรรลุธรรมที่สูง ข, ขึ้นไปกว่านี้ก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติและแต่ในาราชาตินั้นจะต้องเกิดในสุคติคือไม่กลับไปเกิดในอบายเป็นเด็ดขาดนี่แหละคืออนิสง์ของผู้ที่เข้าหาพระศาสนาเข้าหา วัดหาวาศึกษาปฏิบัติทาตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสังส่สอนดังที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติกันตามสมควรแก่กำลังแห่งสติปัญญาแห่งกำลังของความศรัทธาว่าจะมีมากมีน้อยแค่ไหนบางท่านก็อาจจะถือศีลแปดตลอดอรรษา บางท่านก็จะใส่บาตรทุกวันบางท่านก็จะมาวัดทุกวันพระเพื่อฟังเทศฟังธรรมบางท่านก็จะปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านทุกวันทุกเช้าทุกเย็นอย่างน้อยจะต้องสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิทุกเช้าทุกเย็นเป็นประจำและมีเวลาว่าก็จะหาหนังสือธรรมะมาห า, หาเทพธรรมะมาฝันจะไม่ดูเครื่องบันเทิง ทั้งหลายอันเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระไม่มีคุณไม่มีประโยชน์กับใจนี่แหละคือสิ่งที่จะนำพาท่านไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือเป็นผู้ที่สามารถดํารงอยู่ตั้งอยู่ในศีลห้าอันเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ของเทพและของพรหมและพระอริยบุคคลทั้งหลายบุคคลเหล่านี้ล้วนจำต้องมีศีลห้าในเบื้องต้น ได้จะพัฒนาขึ้นไปสู่ศีล8ศีลสิบศสงร้สิน227ข้อต่อไปดังนั้นศีลจึงมีจึงเป็นคำที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ที่ปรารถนาการพัฒนาจิตใจของตนให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้เป็นผู้ประเสริฐให้ไปสู่จุดที่สูงสุดของของมนุษย์ที่สามารถจะไปได้ นั่นก็คือมรรคผลผนิพพานดังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกท่านได้เดินทางไปถึงก่อนหน้าพวกเราแล้วหลังจากที่ท่านได้ไปถึงแล้วท่านจึงกลับมาสอนพวกเราบอกให้เราเห็นถึงคุณอันวิเศษในการกระทำความดีในการรักษาศีลว่าจะนำมาความสุขและความเจริญที่แท้จริง จะนำมาซึ่งการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีตามมาในวัฏสงสารก็จะหมดสิ้นไปจากจิตจากใจของผู้ที่ได้บรรุถึงพระนิพพานมีแต่บรมสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังเป็นสุดที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลยไม่เหมือนกับความสุขของพวกเรา ที่ยังเป็นปุถุชนที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวตาสงสารนี้อยู่มีความสุขที่ผสมกับความทุกข์ไปสลับกันไปสลับกันมาอยู่อย่างต่อเนื่องดังนั้นขอให้เราจงอย่าประมาทอย่าไปเห็นคุณค่าของควา ม, วามสุขเล็กเล็กน้อยๆอยที่เราได้ประสบในในพบนี้ในชาตินี้เพราะว่ามันเป็นเพียงความสุขชั่วประเดียวประดาเปรียบเหมือนกับ ยาขมที่เคลือบน้ําตาลเวลาน้ําตาลที่เคลือบถูกละลายออกไปหมดแล้วก็จะเหลือแต่ความขมอยู่ฉันใดความสุขที่เราได้รับจากลาบยศสรรเสริญการมุสุขนั้นก็เปรียบเหมือนกับความสุขที่เคลือบความทุกข์อยู่นั่นเองเวลาเราจเจริญลาบจเจริญยศได้ยินคนสรรเสริญได้สัมผัสกับการมุสุข คือการมาคุณทั้งห้ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ถู ก, กถูกใจเราก็มีความรู้สึกมีความสุขแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นเสื่อมไปหายไปความรู้สึกทุกข์ก็จะย่างกายเข้ามาดังนั้นขอให้เราคำนึงถึงสุขที่วิเศษสุขที่ประเสริฐกว่านี้ที่เราจะสามารถหาได้ไม่ยากเย็นเลยเพราะความสุขนี้ มีอยู่ภายในใจของเราแล้วเพียงแต่ว่าถูกกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองคอยครอบงำใจอยู่เปรียบเหมือนกับพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ที่มีความสว่างสวัยอยู่แต่มีเมฆหมอกมาปกคลุมผู้ผองจึงทำให้ดวงอาทิตย์หรือพระจันทร์ดวงนั้นเปรียบเหมือนกับว่ามืดมิดไปเลยไม่มีแสงสว่างเลยชั้นใดความสุขพันวิเศษ ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายได้บรรลุถึงนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่ภายนอกไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่กับพระอาหารหันต์สาวกไม่ได้ลราอยู่กับใครเลยแต่อยู่ในใจของเราทุกๆคนเพียงแต่ว่ามันถูกปกปิดพุ่มห่ออยู่เปรียบเหมือนกับทองคำที่หล่นไปในตมในโครนแล้วโดนตนโครนนั้น ปกปิดเสียจนกระทั่งมองไม่เห็นไปหรือพระพุทธรูปทองคำที่เรามีอยู่ในเมืองไทยนี้เดิมก่อเดิมทีก็มีการเอาปูนอะไรมาฉาบมาปกคุ้มไว้เลยจะไม่รู้ว่ามีพระพุทธรูปทองคำพอดีวันดีคืนดีเกิดมีอุบัติเหตุทำให้ปูนที่ฉาบพระพุทธรูปทองคำนั้นแตกหักออกมา จึงทำให้เห็นเนื้อแท้ของพระพุทธรูปองกนั้นว่าทำด้วยทองคำของจิตใจของเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันจิตใจของพวกเราโดยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ปราศจา ก, คว า, กความโลภความโกรธความหลงครอบงมแล้วจะเป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งเป็นจิตที่มีบารมีสุขเป็นจิตที่ไม่มีความทุกข์อยู่แม้แต่นิดเดียว แต่เนื่องจากว่ามีอุปกิเลส์ซึ่งเปรียบเหมือนกับอาคตุกรบเปรียบเหมือนกับเมฆหมอกลอยมาปกปิดพุ่มหอดวงจิตอันบอยสุดนั้นเลยทำให้ดวงจิตนั้นกลายเป็นจิตที่โศกปรกเป็นจิตที่มีมนต์ินเป็นจิตที่มีความเศร้าหมองจึงสร้างแต่เรื่องความทุกข์เรื่องความขิวความกระหายความอยากให้กับจิตไม่มีที่สิ้นสุด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 เรื่องราวอันวิเศษนี้มาประกาศมาสั่งสอนให้กับสัตว์โลกทั้งหลายผู้ใดที่มีปัญญาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วย่อมเกิดศรัทธาย่อมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และย่อมจะปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเมื่อนำไปปฏิบัติแล้ว ผลก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาตามลำดับแห่งการปฏิบัติเหมือนกับเวลาที่เราไม่สบายเราเราไปหาหมอหมอก็ให้ยาเรามารับประทานการที่เราไปหาหมอและรับยายามาจากหมอมารับประทานแสดงว่าเราเป็นคนมีปัญญาเราเชื่อว่าหมอนั้นเขามีความรู้เขามีความสามารถเขามียา ที่จะรักษาโรคให้กับเราได้เราก็ไปหาหมอแล้วก็บอกอาการของโรคของเราให้หมอทราบหมอก็วินิจฉัยแล้วก็จัดยาให้เรามารับประทานเมื่อเรานำยามารับประทานอาการที่เรามีอยู่ในร่างกายก็จะค่อยๆเราเบาบางลงไปตามกำลังของอยาที่รับประทานเข้าไปจนกระทั่งในที่สุด โรคก็จะหายไปอาการต่างๆที่เกิดจากโรคนั้นก็หายไปเพราะยานั้นได้เข้าไปทำลายเชื้อโรคที่สร้างความไม่สบายให้กับร่างกายฉันใดใจของพวกเราก็มีเชื้อโรคเช่นกันเชื้อโรคที่สร้างความทุกข์ให้กับเราก็คือกิเลสตัณหาความโลภคำโกรธความหลงความอยากในกลางความอยากมีอยากเป็น ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากร้อ0แ0ันประการเหล่านี้ร่วนที่จะเป็นเหตุที่จะสร้างความทุกข์ใจความไม่สบายใจให้กับเราอย่างขณะ น, นี้ใจของเราจะมีความสงบเพราะใจเราเพราะในใจเราความอยากยังไม่ปรากฏขึ้นมาถึงแม้จะมีอยู่แต่กาลังนอนหลับยังไม่ได้มีใครมาปลุกขึ้นมา แต่ถ้าเกิดมีใครมาปลุกขึ้นมาแล้วเช่นเกิดไปนึกได้ว่าต้องมีนัดจะไปหาใครในวันนี้ในเวลา8โมงคึ่งเมื่อมองนาฬิกาก็เห็นว่า8โมงครึ่งแล้วก็จะเกิดอาการกระวนกวายใจขึ้นมาทันทีเพราะอยากจะไปตามนัดที่วางไว้ทีนี้จะไปตอนนี้ก็ยังไปไม่ได้ยังต้องนั่งอยู่ดันั้นเวลานั่งอยู่ก็เลยเกิดอาการกระสับกระสาย ไม่สงบไม่นิ่งเพราะเริ่มมีความอยากา ข, ขึ้นมาในใจนี่แหละคือโรคของใจที่เกิดจากกิเลสตัณหาทั้งหลายมันเกิดขึ้นทันทีทันใดและมันก็จะดับไปได้เหมือนกันถ้ามีสติมีปัญญาเช่นถ้ารู้ว่าเรามีนัดแต่เมื่อเราใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดูก็รู้ว่ากว่าจะไปถึงที่นัดหมายได้ ก็จะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไปไม่ทันก็ไม่ต้องไปเสียก็หมดเรื่องไหนไหนมันก็ไปไม่ทันอยู่แล้วถ้าตัดใจได้ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเป็นยังไงก็ไปไม่ทันไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปมันสู้นั่งอยู่ที่นี่ฟังเทศธรรมต่อไปจะดีกว่าถ้าใจได้คิดอย่างนั้นแล้ว ก็สามารถต ร, งรองเลือระงับความอยากที่จะต้องไปไปตามนัดนั้นได้เมื่อเลื่อระ ง, งับนั้นได้แล้วใจก็กลับมาสู่ความสงบต่อไปนี่แหละคือธรรมะก็คือเหตุผลนั่นเองเวลาเราคิดอะไรถ้าเรามีเหตุมีผลแล้วจะชนะตัณหาได้จะชนะความอยากได้แต่ถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วจะต้องถูก ตันหตัดันหาความอยากนั้นเป็นตัวการสร้างความทุกข์ให้กับเราไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นเพราะคำว่าตันหานั้นท่านบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีขอบไม่มีฝั่งไม่มีคำว่าพอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้มาแล้วจะต้องอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะนี่คือลักษณะธรรมชาติของตันหาความอยากทั้งหลาย วิธีที่จะระงับตัณหาความอยากได้นั้นจะต้องใช้เหตุผลคือปัญญาหรือธรรมะเช่นเราต้องการอะไรเราก็จะต้องถามว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นจําเป็นต่อการดํำรงชีพหรือไม่ถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นแล้วเราจะต้องตายไปเลยหรือไม่เช่นเราขณะนี้เราต้องสูดอากาศใช่ไหมถ้าเราไม่มีอากาศหายใจ เราจะต้องตายใช่ไหมถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องมีอากาศหายใจเราก็ต้องสูดไว้แต่ถ้าเราต้องการเสื้อผ้าอีกสักชุดหนึ่งหรืออยากจะได้รถยนต์คันใหม่อีกสักคันหนึ่งหรืออยากจะได้โทรศัพท์มือถืออีกสักเครื่องหนึ่งตอนนี้เราถามตัวเราว่าเรามีความจาเป็นจะต้องใช้สิ่งเหนั้นหรือเปล่าถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะตายไปหรือไม่อย่างนี้ เราก็จะสามารถระงับดับได้ถ้ายังไม่มีความจําเป็นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นยังไม่ตายก็ไม่ต้องเอามนไปให้เสียเวลาเปลกาเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุการที่มีอะไรมากๆนั้นอย่าไปคิดว่าเราจะมีความสุขนะเราจับกายจะต้องกลายเป็นนักโทษเป็นคนใช้เป็นยามที่จะต้องคอยดูแลรักษาสิ่งของต่างๆที่เรามีอยู่ มีมากก็ต้องดูแลรักษามากมีน้อยก็ดูแลรักษาน้อยถ้าต้องดูแลรักษามากก็มีความทุกข์มากถ้าดูแลรักษาน้อยก็มีความทุกข์น้อยนี่แหละคือเรื่องของกิเลสของตัญหาที่สร้างความหิวความอยากความต้องการให้กับใจแบบไม่รู้จักอีกไม่รู้จักพอและได้มามากน้อยเท่าไหร่ก็ยังไม่พออยู่นั่น ลองถามตัวของท่านเองสิว่าตั้งแต่ท่านเกิดมาจนถึงวันนี้นั้นท่านได้อะไรมามากน้อยแค่ไหนแล้วเวลาเกิดมาออกจากท้องแม่ก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมากมามีแค่อาการสาสองคือร่างกายแม้แต่เสื้อผ้าก็ยังไม่มีติดตัวออกมาเลยแล้ววันนี้เรามีอะไรบ้างลองทบทวนดูเรามีแท้ทุกอย่างเต็มบ้านเต็มช่องไปหมดนอกจากตัวเราแล้วยังมีสามีมีภรรยา มีบุตรมีที่ดาวเพิ่มขึ้นมาอีกต้องหลายคนแ ล, แล้วสภาพจิตใจของเราเป็นยังไงดีขึ้นไหมอยู่แล้วสบายขึ้นหรือเปล่าหรือกลับจะต้องแบกภาระเพิ่มขึ้นอีกมากมายกายกองเมื่อเกิดมาแรกๆก็มีตัวเราคนเดียวแสนจะสบายดูแลปากท้องอันเดียวตอนที่เราเป็นเด็กๆนั้นเป็นยังไงเรามีความสุขหมวันๆหนึ่งนี้เราแทบจะไม่มีความทุกข์อะไรเลยมีแต่เล่นมีแต่กินมีแต่นอน มีแต่ไปโรงเรียนแสนจะสบายแต่พอจบโรงเรียนออกมาแล้วเริ่มทำมาหากินแล้วที่นี้กิเลสตัณหาก็เริ่มออกฤทธิ์แผงฤทธิ์สั่งการให้เราต้องไปหาสิ่งนั้นมาต้องไปหาบุคคล น, นั้นมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มีอะไรมากมายกายกองมีกิจการมากมายมีเงินทองมากมายมีสมบัติมากมายมีอะไรมากมายไปหมดแต่ใจเป็นยังไง ใจก็กับกายกับมีความวุ่นวายมีความทุกข์มากมายตามไปกับสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละเพราะนี่แหละคือเรื่องราวของสิ่งของต่างๆกับใจมันไม่ได้ให้ความสุขกับใจเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ให้ความสนบกับใจนั่นเองเวลามีอะไรก็อดที่จะคิดอดที่จะห่วงอดที่จะกังวลไม่ได้ ของต่างๆสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่หรือบุคคลต่างๆที่เรามีอยู่นั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่อยู่นิ่งเฉยมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมมีการเจริญอยู่เรื่อยๆมีแต่ปัญหาที่หที่จะตามมาที่เราจะต้องคอยแก้อยู่เสมออย่างเวลาซื้อรถยนต์มาคันหนึ่งถึงแม้มันจะมีประโยชน์รับใช้เราพาเราไปไหนมาไหนได้ในทา ง, ทางตงัวกันข้าง เราก็ต้องเป็นคนรับใช้มันเช่นกันเราต้องคอยเติมน้ำมันให้เขาเราต้องคอยเติมน้ำให้ต้องคอยทำความสะอาดต้องคอยนำเอาเข้าอู่เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆเพราะเมื่อใช้ไปแล้วย่อมมีการเกิดอาการสึกหรอขึ้นมาก็เลยกลายเป็นคนรับใช้รถยนต์คันนั้นเขารับใช้เราแล้วเราก็ต้องรับใช้คันสมมติ ว, ว่าถ้าเราไม่มีรถยนต์คันหนึ่ง เรามีเงินที่จะซื้อรถยนต์ได้แต่เราไม่ซื้อเวลาเราจะแัดไปไหนมาไหนเราก็ขึ้นสองแถวเรียกรถแท็กซี่หรือกลอยู่ใกล้ๆก็เดินไปไม่ดีกว่าเลยเดินไปก็ได้ออกกำลังกายร่างกายก็มีกำลังวังชาคนเราเดี๋ยวนี้มีเงินมีทางมากไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมีแต่นั่งรถมีแต่ขึ้นเล็บกันทำอะไรก็มีแต่เครื่องบรรเทา เครื่องเครื่องบรรทอนกำลังคือไม่ต้องไม่ต้องออกกำลังเลยทำไปทำมาสุขภาพร่างกายเลยย่ำแย่เพราะขาดการออกกำลังกายเลยต้องไปเสียเงินเข้าไปออกกำลังกายซิเมื่อก่อนนี้ออกกำลังกายโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองและได้ประโยชน์อย่างสมัยที่เราเป็นชาวกเกษตรกรมรมเก ษ, ษตรเกษตรกรเราดานาทำไร่เราก็ต้องใช้กำลังกายของเรา เราก็ได้ทั้งงานและเราได้ทั้งการออกกําลังกายแต่สมัยนี้เราทำงานแบบสบายนั่งโต๊ะเวลาไปไหนมาไหนก็แทบจะไม่ต้องเดินมีรถนั่งอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ได้ออกกําลังกายเลยต้องไปเสียเงินออกกําลังกายอย่างนี้คิดว่าเราเราโง่หรือเราฉลาดกันแน่ลองคิดดูให้ดีและสิ่งต่างๆที่เรามีเพื่อที่จะมาบรเทา ไม่ต้องให้เราออกกำลังกายนั้นก็ล้วนแต่เป็นภาระกับทางจิตใจของเราเพราะไหนเดียวมันจะต้องเสียก็ต้องเสียเงินซ่อมแล้วถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ต้องหามาใหม่ก็เลยทำกลายเป็นสิ่งที่คอยกดดันให้เราต้องออกไปหาเงินหาทองมาอยู่เพื่อที่จะได้ชื่อสิ่งของเหล่านี้มามาบำรุงบาเรอชีวิตของเราแล้วก็เลยชีวิตของเราตลอดชีวิตก็เลยหาความสงบหาความสุขไม่ได้ เพราะจิตจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาคิดหาเงินหาทองเมื่อได้เงินหาทองมาแล้วก็ต้องคิดว่าจะใช้มันอย่างไรเมื่อได้สิ่งของมาแล้วก็ต้องคิดอีกว่าจะต้องใช้อย่างไรจะต้องดูแลอย่างไรมีแต่ที่เรื่องจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาไม่มีอันสิ้นสุดก็เลยไม่มีความสงบแล้วถ้าตามใจจิตไม่มีความสงบแล้วอย่าไปหาความสุขเลยเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจิต นิ่งจิตสงบนั้นท่านเองแล้วจิตจะนิ่งจิตจะสงบได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติธรรมก็ต้องศึกษาธรรมก่อนว่าจะปฏิบัติอย่างไรจะศึกษาก็ต้องเข้าวัดนั่นเองก็ต้องมาเข้าวัดมาทําบุญทําทานและมาฟังเทศน์ทำธรรมอย่างที่ท่านได้มากระทํากันในวันนี้นี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่จะนําพาท่านไปสู่ความสุขที่แท้จริงก็คือสันติสุข ที่จะปรากฏขึ้นมาภายในใจในเบื้องต้นท่านต้องขยันศึกษาฟังเทศฟังธรรมหาหนังสือธรรมะมะอาอ่านมากๆเพื่อจะได้รู้ถึงสาเหตุที่สร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับท่านและเมื่อทราบแล้วก็จะได้ศึกษาถึงวิธีที่จะทำไงที่จะชะําระหรือกำจัดต้นเหตุของความทุกข์ความวุ่นวายใจ เมื่อเรารู้แล้วเราก็นํามาปฏิบัติซึ่งโดยสรุปแล้วพระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงสรุปไว้ในสามข้อใหญ่ ๆ, ญๆก็คือให้ละการกระทาบาป ท, ทั้งหลายเสียให้กระทาความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมและชาระกิเลส ต, ตัณหาให้หมดออกไปจากทิ่จักใจถ้าเราปฏิบัติได้แล้วต่อไปจิตของเราก็จะสะอาดเมื่อจิตสะอาดแล้วจิตก็จะมีแต่ความสุข เมื่อมีความสุขแล้วไม่ต้องมีอะไรต่อไปอย่างพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกท่านไม่มีสมบัติอะไรภายนอกเลยแต่ภายในใ จ, ใจของท่านนั้นมีสมบุติ ม, มีสมบัติอันลบอันล้ำเลิศคือโลกุธระธรรมคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการประสบแต่ความสุขความอิ่มความพอที่มีในใจเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วสมบัติภายนอก ต่างๆนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยเปรียบเหมือนกับคนที่รับประทานอาหารอิ่มเต็มท้องแล้วต่อให้ใครเอาอาหารดีๆขนาดไหนมาตั้งไว้อยู่ที่ข้างหน้าก็จะไม่มีความรู้สึกยินดีที่อยากจะรับประทานเลยฉันใดอริยทรัพย์หรือโลกุตตระธรรมที่ท่านทั้งหลายจะได้ประสบจากการปฏิบัติธรรมนั้นก็จะเป็นเช่นนั้นดังนั้นก็ขอฝากเรื่องราวการ การปฏิบัติธรรมการละเว้นการกระทำความชั่อละเว้นอบายามุขทั้งหลายเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาตลอดเวลาสาเดือนสามเดือนนี้กอให้ท่านจงนำไปพิจารณาและปฏิบัติตามสมควรแก่กำลังสติปัญญาของท่านแล้วความสุขความเจริญและความเป็นสิริของคนที่ท่านทั้งหลายปรารถนาจะเป็นของท่านอย่างแน่นอน